บทส่งท้ายสำหรับเหตุการณ์นายแพทย์อาจินบุญยเกตพบวิญญาณหนูพิมพ์พวดีที่ได้นำเสนอไปแล้วนี้จะเห็นว่ากฎแห่งกรรมนั้นส่งผลข้ามภพข้ามชาตินายแพทย์อาจินเคยเป็นราชมันในสมัยรัชกาลที่สามแต่เพิ่งได้รับผลแห่งกรรมในชาติปัจจุบันและความผูกพันของพ่อลูก ก็ผูกพันกันข้ามภพข้ามชาติเช่นกันทำให้หนูพิมพ์พวดีมาช่วยผู้ที่เคยเป็นพ่อในภพชาติก่อนซึ่งก็คือนายแพทย์อาจินในชาติตป จ, จุบันตามหลักของกฎแห่งกรรมนั้นกรรมดีไม่สามารถลบล้างกรรมชั่วได้ขึ้นอยู่กับว่ากรรมใดจะส่งผลก่อนหรือกรรมใดแรงกว่ากัน หากท่านผู้ฟังได้พิจารณาแล้วและมีความเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรมก็นับว่าเป็นกุศลและจัดได้ว่ามีสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นผู้ดำเนินชีวิตอย่างผู้ไม่ประมาทท่านที่ดำเนินชีวิตอย่างผู้ไม่ประมาทย่อมสร้างหลักประกันในชีวิตโดยการสั่งสมบุญบารมีทั้งการทำทานการรักษาศีล การเจริญสมาธิวิปัสนาโดยลดสิ่งที่เป็นบาปและสร้างเสริมสิ่งที่เป็นบุญเพื่อความสุขความเจริญงอกงามของชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยาวไกลหากท่านผู้ฟังไม่คิดจะเชื่อก็ขอให้ลองคิดในแง่ของประโยชน์เฉพาะตัวว่าถ้าเชื่อจะได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าไม่เชื่อจะเสียประโยชน์อะไร นอกจากนี้ลองคิดเผื่ออีกนิดว่าความเชื่อกับความจริงบางทีก็คนละเรื่องกันถึงแม้ตนจะไม่เชื่อแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นความจริงเมื่อตายไปตนจะต้องเกิดอีกโดยมีกระแสกรรมที่ทำไว้เป็นตัวกําหนดเมื่อถึงเวลานั้นตนจะเปลี่ยนแปลงกรรมที่ทำไว้ไม่ได้เลยหากต้องรับกรรมหนัก จะเป็นเรื่องที่น่าสะพรงกลัวเพียงใดสำหรับเหตุการณ์นี้ขอให้ท่านพิจารณาน้ำหนักความน่าเชื่อถือของเหตุการณ์นี้ว่าผู้ที่เล่าเป็นผู้ที่มีความรู้สูงศึกษามาทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์และมีตำแหน่งหน้าที่เป็นที่ยอมรับในสังคมมีประจักษ์พยานหรือบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นที่รู้จักกันดีในวงสังคมจึงขอให้ท่านพิจารณาว่าจะเชื่อท่านที่พอจะเชื่อถือได้นี้หรือไม่สำหรับการนำเสนอเหตุการณ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะนำเสนอเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรมออกเผยแพร่ เพื่อที่ผู้ฟังจะได้ใช้วิจารณญาณตัดสินเอาเองว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อและจะนำประโยชน์จากความเชื่อนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไรหากท่านผู้ฟังที่ไม่เคยเชื่อแต่เมื่อได้ฟังแล้วเกิดความเชื่อข้าพเจ้าขออนุโมทนาขอให้ท่านเร่งสร้างกรรมดีเพราะชีวิตนี้น้อยนัก